พักตั้งหลายแล้วกัเหนึ่อยมากหนะึ่พักตั้งหลายหนื่อ ย, อยอนะอมานะกหนึ่้อยหมากครับครับพักู่ครับเคยตอนนัเนี่ตอนยังแครับอมันมันขายจะบ้างไปแบบนั้นใจเจอทังเห็นไม่ไเอยอ๋องทัเวครับเข้าไปพักผรงห้างใจนก็นจริงจั ง, น, จ ง, น, จ น, ง น, จนี่จะังทเจอะว่าฟังทักขอดีกว่า เราอยากก็ให้ฟังทั่วขึงกันน ะ, ะวางวางโปรงธรรมสโลดสังเวชในบรรดาชาวพุทธเราทุกตวนหน้าคือท่านเจ้าคุณเทพโมลี <c oughs> ท่านได้มรณภาพลงไปถึงเวลาหลายเดือนแล้ววันนี้เป็นวันตรงศพ หรือถวายเพลิงท่าน <c oughs> พี่น้องชาวไทยเราซึ่งเป็นชาวพุทธควรจะรับความสลดสังเวชอย่างถึงใจในวันนี้เพราะความตายนี้ประกาศมาตั้งกับตั้งกันแล้วไม่ค่อยมีใครตื่นเนื้อตื่นตัวกันเลยตื่นตั้งแต่ความไปตามความโลภความโกรธราคะตันหา ตื่นไม่มีเวลาวันหยุดวันหย่อนตื่นตั้งกับทั้งกันมาแล้วยังจะตื่นต่อไปอีกไม่มีขอบเขต <c oughs> เหตุผลอันใดเลย <c oughs> นี่คือความตื่นโลกตื่นตามไปตามทีิเลสตัณหา <c oughs> ความที่จะตื่นในอัตในธรรมตรงธรรมสังเวชว่าโลกทั้งโลกนี้คือโลกเกิดเลิกตายไม่ค่อยได้คิดกันบ้าง อย่าพากันดิดกันดิน้นจนเกินเหตุเกินผลจนลืมเมื่อลืมตัวป่าช้าไม่มีกับเราทุกคนทุกคนทั้งๆั้งที่ป่าช้ามีอยู่ดังเต็มตัวอย่างนี้เรียกว่าเป็นความประมาทมากสำหรับชาวพุทธของเรา <c oughs> วันนี้เป็นวันที่กระเทือนให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบทั่วถึงกันถ้าใครยังไม่มองเห็นให้มาดูหน้าเบนดีนี่คือศพของท่านเจ้าคุณเทพโมลี ท่านตายแล้วท่านไปรำบุญตามกรรมของท่านที่บําเพ็ญบารมีมามากน้อยท่านไม่มา <c oughs> แบ่งสรรปันส่วนเอาบุญเอาบาปกับพวกเราท่านเป็นผู้บําเพ็ญตัวของท่านโดยดีมาตลอดเวลาบุญกุศลเป็นสมบัติอันร้อนค่าที่จะข้าชูจิตใจของท่านให้ไปสถานที่ดีคติที่เหมาะสม ท่านมาในมาหวังอวบวบเวียนเวียนกุศลาธรรมะกุศลาธรรมมาจากพวกเราแลยเรื่องกุศลาธรรมานั้นเป็นเครื่องเตือนจิตใจของพี่น้องชาวไทยเราทั่วหน้ากันได้พากันเรื่อยแล้วหรื อ, อยังกุศลาธรรมะคือหมายว่ากุศลที่เป็นความชืกุศลคือกุศลนธรรมะธรรมที่ยังบุคคลให้มีความเฉลียวฉลาดนันอกุศลาธรรมานะธรรมทำให้บุคิ่งที่ทําบุคคลให้โง่ หาใครเจริญทางากุศลาธรรมาก็โง่เข้าไปโดยลํำดับโง่ไม่มีหยุดไม่สิ้นสุดยุติลงได้โง่ตั้งกับตั้งกันการก่อโกยวาความทุกข์ไปกับความโง่ตั้งกับตั้งกันตลอดไปไดเรื่อยๆถ้าผู้มีกุศลาภายในใจระลึกถึงเรื่องความเป็นความตายระลึกถึงบาปถึงบุญในหัวใจของเราพอที่ จะได้เป็นข้อคิดต่างๆบ้างตามสายธรรมผู้ที่เจ้าทรงต่างสอนมาไปแล้นานเราจะพอมีเครื่องยึดเครื่องเกาะในจิตใจของเราเวลานี้พวกเราทั้งหลายมีอะไรเป็นเครื่องเกาะเครื่องยึดพิจารณาดูสิโลกนี้กว้างขนาดไหนในเมืองไทยเขาเรียวกว่าโลกนี้โลกนี้มีกี่พันล้านมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันนี่ ตลอดทั้งสัตว์ดินฟ้าอากาศต้นไม้ภูเขามีมากกันลหลายเป็นสาระอะไรบ้างสําหรับหัวใจเราที่จะเกาะจะยึดพอเป็นฝั่งเป็นฟ้าให้หลุดรอดพ้นจากภายัยคือความทุกข์ทั้งหลายไปได้มองแล้วมันไม่มีมันมีแต่ดินเป็นดินน้ําเป็นน้ําลมเป็นลมไฟเป็นไฟไปตลอดที่ต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศมันเป็นเรื่องของเขาโดยสมบูรณ์เขาไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรจากพวก สัตว์ทั้งหลายเหล่านี้เลยส่วนที่มีส่วนได้ส่วนเสียจริงๆก็คือบาปคือบุญการทำดีทำชั่วนี่แหละเป็นตัวสำคัญมากขอให้อาุชลาความฉลาดจับเข้าไปในจุดนี้ท่านทั้งหลายจะรู้เนื้อรู้ตัวว่าเราเกิดเป็นอะไรเกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นอะไรมนุษย์นั่นตั้งชื่อให้เป็นเทวดามันก็ได้อยู่ในเรือนจาก็ไม่อดไม่อยากตั้งชื่อเทวดามันก็ตั้งได้ แต่บาปกรรมที่เจ้าของทํำลงไปนั้นมีทำเป็นธรรมชาติที่เหนืออํานาจของทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอันไดที่จะเหนืออํานาจกรรมไปได้เลยท่านจึงแสดงไว้เป็นพระบาลีว่านาิกรรมมะสมังพลังไม่มีอนุภาพใดที่จะเหนืออนุภาพแห่งกรรมดีกรรมชั่วของสัตว์ที่ทำไว้ไว้แล้วได้เลยใครจะทําดีกําชั่วขานาไหนกฎธรรมชาติคืออานาจนี้จะต้องบีบบังคับอยู่ภายในนั้น <c oughs> แล้วพาไปไปดีจนได้ไม่สงสัยพาไปชั่วได้ไม่สงสัยด้วยอํานาจแต่งกำดีกำชั่วเพราะั้นตรวไหนพากันเลือกถึงกุศลธรรมมาที่ท่านจะสวดในวันนี้ถ้าระลึกวันไม่ได้วันไหนขอให้เ ล, ลึกวันนี้ว่ากุศลธรรมมอกุศลธรรมม า, รรรมมาปยากระตาธรรมมาท่านสวดมาซะมากมายขนาดไหนแม้แต่ผู้สวดเองอย่างหลวงตาบัว น, นี่ก็เคยสวดไปกินข้าวต้มขนมเข้ามามากมาย ไม่ทราบว่ากุศลาธรรมาหมายความว่าอย่างไรผู้มาถวายก็ทําเป็นพิธีอพอทําเป็นพิธีกุศลธรรมามาติกาแล้วเวลาท่านพระท่านส่วนบนก็คุยโมกันเต็มบ้านเต็มเมืองมันเป็นสภาโมในสถานที่กุศลาธรรมาเราทั้งหลายรู้ไหมว่าชาวพูธมันกลายเป็นชาวผีไปแล้วเวลานี้าศาสนาพุทธเจ้าเลิศเลอขนาดไหนท่านทั้งหลายอยากทราบให้ปฏิบัติตัวลงไป สว่าขาธรรมพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วชอบอะไรบุญเป็นบุญบาปเป็นบาสนรกเป็นนรกสวรรค์เป็นสวรรค์พมโลกนิพพานเป็นพมโลกนิพพานเป็นผีประเภทต่างๆตเต็มทั่วใดโลกตั้งทั่วไใจโลกปาะธเป็นมากกี่กับกี่กันพากันลึกรู้หรือเปล่าว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างไง <c oughs> เราจะมันเพียงมาเกิดว่าตายเฉยๆไม่ได้คิดอะไรและกุศลธรรมมากระทําเป็นวิธี ตายแล้วก็พอเป็นพิธีไปถวายทานกุศลาธรรมมาคุยโม่กันเป็นโอกาสอันดีสําหรับคนที่โง่เขลาบวชปัญญาและมืดบอดที่สุดจะไปสนทนากันเป็นโอกาสอันดีงามในเวลาที่พระท่า น, นมาสวดกุศลาธรรมมาเป็นอย่างนี้เสียส่วนมา ก, ากเฉพาะอย่างยิ่งกรุงเทพเป็นที่หนึ่งไม่ว่าสถานที่ใดหลวงตาเคยไปเทศไปสวดกุศลากินข้าวต้มนขนมกัเขาเมืกันแต่เราไว่เลยไม่อยากยินดีกินข้าวต้มแหละ ไปมีต่างเรื่องคุยโม้ระบายทุกต่อกันนั่นน่ะใครมาจากที่ไหนก็ระบายทุกต่อกัน <c oughs> คนนั้นได้ทุกทั้งนั้นคนนี้ทุกทั้งนี้ตั้งแต่วันตื่นนอนขึ้นมาขนขวายขวายคว้าหาตั้งแต่ความสุขความสุขขันเวลาได้แล้วมีตั้งแต่ความผิดหวังผิดหวังมาก็เต็มหัวอกเ <c oughs> วลา ม, มีโอกาสมาคุยกันระบายตั้งแต่เรื่องความทุกข์ความร้อนแต่แล้บุคคลบุคคลมากัน มีแต่แบบลั่นละกุศลธรรมมาแต่ว่าไรมันไม่ได้สนใจฟังนะนี่แล้วเราจะหวัง อ, อะไรเป็นที่พึงผีชนะดิเราจะพึงยศก็ตั้งขึ้นเฉยภาษายศตั้งขึ้นฟากเจหลวดาวเทียมก็ตั้งได้อยศชื่อลาวชื่ออย่างนั้นชื่ออย่างนี้ตั้งเลยเจหลวดาวเทียมก็ได้แต่ตัวของเรามันหาบาบาบกรรมด้วยความโง่เขลาปัญญาโดยการสร้างความชั่วนี้ก็ป่วยตลอดเวลาความทุกข์อนี้จะเผาหัวใจเราได้ภาคกันจิตแล้วอย่าง นี่คือทำคำว่าพระพุทธเจ้าเตือนพี่น้องท่างหลายประกาศกล้องมาจาพ่อพระพุทธเจ้าของเรานี่ 2,500 กว่าปีนี้แล้วโคโนฮะโซกิมานันโดนิจังปัทเธตเตสติอันตะาการเลนะโอนัฐาปดีปังนักเวสถาก็เมื่อโลกสันน้วาสนี้มันเป็นฟืนเป็นไฟของความโลภความโกรธราคะตันหาเผาไหม้สัตว์ตลอดเวลามาตลอดนี้ยังไม่หัวละลื่นเลงเป็นบ้ากันอยู่หรือเมื่อใดท่านทั้งหลายจะหาที่พึ่งนั่งตั้งที่ นี่ลาสิทธ์อันนี้เป็นพุทธพจน์ที่ทรงแสดงไว้แล้วเราทั้งหลายเป็นยังไงยังโกนุห้าโซจิมานันโดอยู่หรือเลื่องบันเทิงไปหาอะไรตายเ้วนี้จะไปที่ไหนเลยรู้หรือยังคติความตายความเป็นอยู่ของเจ้าของจะเกาะอะไรถ้าเกาะเงินก็เงินก็นกพังพอชีวิตจิตใจหายลงไปฉะนั้นเงินก็สมมติขันขึ้นเป็นกระดาษบ้างเป็นแร่ธาตุต่างๆบ้างตั้งชื่อต่างนามคือว่าเป็นเงินเป็นทอง อ่าเป็นเข้าเป็นของเป็นเพชรนิลจินดามันจะเป็นแร่าธรรราตุธรรมดาธรรมดาเหล่านั้นมันวิเศษวิโสอะไรเกลื่อนแผ่นดินอยู่นี้เรามาแจกจสายบรรยอพอได้อาศัยไปในการเกี่ยวข้องสังคมซึ่งกันและกันให้เป็นความสะดวกในการจับจ่ายซื้อขายไม่เพียงเท่านั้นไม่ได้หมายถึงว่าจะให้เป็นตัวเป็นตนตฝากเนื้อฝากตัวไปกับสมบัติเงินทองกับของเหล่านี้แล้วไปสวรรค์นี้ผ่านเลยมันเป็นไปไม่ได้นะสมบัติเหล่านี้พาให้ใหลงนรกก็ได้มากมายคนที่มีเงิน ท้องเขาขอม า, มากๆมันลืมเนื้อลืมตัวทุกสิ่งทุกอย่างเมียได้ 20- 50คนพันคนมันจะหาได้ผู้หญิงกับหมืนการตัวเก่งนะผู้ชายนี่เอาเท่าไหร่มาเป็นผัวมันเป็นได้ทางไรเพราะมันมีเงินมากมีสมบัติมากมีรถสาบรรดาศักิ์สูงยิ่งเขายกยอให้ว่าเป็นคุณหญิงคุณนายแล้วได้เป็นบ้าสดๆร้อนๆมันก็ผู้หญิงด้วยกันตั้งไม่ตั้งมันจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็เหมือนกันนั่นแหละ นี่หลักธรรมชาติที่น้องหลายฟังเสียหน้าฟังในหลักธรรมในหลักธรรมชาติท่านแสดงอย่างนี้ถ้ามันแสดงแบบโลกที่พระจกปแางเรียกแข้งเรียกขากเห็นกันนั้นดีนะหนนี่ดีนะ ด, นะดีอะไรไฟเม่าหัไม่หัวใจมันอยู่ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนตั้งแต่ตื่นนอนมาจนกระทั่งหลับมันหาความสุขที่ไหนมาติดหัวใจมันไม่เคยมีว่าเงินก็อยู่นู่นอยู่ในกระเป๋านั่งอยู่ในบ้านในเรือนฝากตามธนาคารต่างๆ แล้วก็มันก็อยู่ตามนั้นตามนั้นเจ้าของก็แบกกองทุกตลอดเวลามีความหมายอะไรกับสมบัติเหล่านั้นถ้าเจ้าของไม่ฉลาดหาสมบัติเหล่านั้นมาเป็นประโยชน์มันมีมากมีน้อยเฉลีย่ยเพื่อแผ่เพื่อเพื่อนเพื่อฝูงเพื่อชาติบ้านเมืองให้เป็นประโยชน์แก่คนอันนั้นเป็นสมบัติเป็นสมบัติแปลว่าความถึงพร้อมถึงพร้อมที่จะให้เจ้าของได้รับความสมบูรณ์ผ ล, ผลเป็นกุศลผลักบุญขึ้นจาก การบําเพ็ญของเราได้มาแล้วลืมเนื้อลืมตัวนั่นเงินคือสักเป็นเครื่องสังหารเป็นเพศฆ า, าดฆาตฆาตคนที่มีมัง่งมีมากๆให้ขาดตะบ้นันลงนรกก็ลงได้คนพวกนี้ยกตัวอย่างเช่นเศรษฐีนี่เรานี้ท่านผู้เรียนมาเรียนมาด้วยกันรู้ด้วยกันเถียงกันไม่ได้นะเศรษฐีมีเงินมากแล้วยกมาเพียงสามสกุลเศรษฐีมีเงินมากไปที่ไหนล่อไปหมดเอเงินไปหว่านให้ผู้หญิงคนนั่นให้ผู้หญิงคนนี้แนละ้ว วานแล้วก็ลอก่อเข้ามาเป็นคนบํารุงบําเลอพวกลูกพวกหัวครอบเจ้าเราเดือนโคตรวงของเขาเป็นฝืนไฟเผาไหม้กันทั้งโคตรทั้งแส่ไม่ได้คํานึงเลยเราได้ผู้หญิงคนนั้นด้วยการหลอกลวงโดยการเงินการทองเราเราเป็นที่พอใจที่เวลาตกตายลงไปแล้วลงนรกท่านแสดงไว้ว่าพื้นฐานแห่งผิวผิวนรกนั่นะจากนี้ลงไปถึงก้นนรกพวกสัตว์สามประเภทที่ตกนรกนี้ หมุนตัวลงไปได้ห0หมื่นปีภาษาบาลีก็มีแต่ไม่นำมาแสดงจากแสดงแต่เนื้อเนื้อที่เป็นอัดเป็นธรรมเข้าใจกันแล้วแต่พี่น้องงหลยเท่านั้นนี่เวลาลงจากพื้นมนุษย์เราไปเนี่ยลงไปจมตั้งแต่ผิวนรกเนี่ยลงไปถึงพื้นนี้สวยทุกเวทนาอย่างสาหัสลงไปเป็นเวลาห0หมื่นปี หกหมืนปีทิพย์กับห 0,000 นปีธรรมดาเหล่านี้ต่างกันอย่างไรบ้างฟังสิแล้วก็ไปจมอยู่ในนรกนั่นห 0,000 ืนปีแล้วก็ฟื้นขึ้นมาในห 0,000 ืนปีนั้นชั่วฟ้าแลบ ก, ก็ไม่มีที่ว่าจะรับความสุขบ้างนิดหน่อยจากนั้นก็ขึ้นมาลอยขึ้นมาก็เฝาไฟกรรมไฟบาปไฟกรรมนั้นก็เผาขึ้นมาจนกระทั่งถึงผิวนรกอีกเป็นห 0,000 ืนปี รวมหกสามหเป็นเท่าไรเป็นสิปดหมื่นปีนี่ที่สัตว์ในโลกที่เก่งๆมีเงินมากสมบัติมากเอาเงินทองไปหลอกลวงผู้หญ้าผู้หญิงเอามาเป็นหญิงบำเรอมาเป็นเป็นเมียของตัวเองแล้วทําความเดือดร้อนแตกสกุลของเราหมดทั้งเขาหมดทั้งโคตรลังแซ่ล่มจมไปด้วยความเดือดร้อนวุ่นวายตัวนี้ก็มาเป็นผลให้เป็นความล่มจมถึงกับต้องไปตกนรก ไหลลงไปนโลกถึงห 0,000 ืนปีด้วยความแผดเผาแห่งกรรมอันสาหัสนั้นแล้วไปอยู่ในนรกอีกห0 0 0ืนปีแล้วฟื้นขึ้นมาก็ไหลขึ้นมาอีกห0 0 0ืปีเดียวนี้ยังหมุน 18, อยู่1 8บแปดส0 0แปนปีเนี่ยยังไม่ได้ขึ้นจากนรกท่านทัน้งหลายเต็งกล้าสามารถไปหาเอาเมียจากไปไปหาเอาผัวไปหาเอาเมียไปหามาบำเบลอจากนี่ไปถึงบ้านแล้วมันมีพระอะไรผู้หญิงเหล่านี้ เต็มบ้านเต็มเมืองอยู่นี่มีมากขนาดไหนถ้ามันยังไม่พอใจไปหาเอาหมาตามไร่ตามนาตามสวนเขามาเป็นผัวเป็นเมีย อ, อีกก็ยังได้เอาตายแล้วให้มันไปคูณกันอีกสักเท่าไหร่เงี้ยสิบปดหมืนปีเนี่ยสิบแปดมืนปีนี้พวกหาผัวมากหาเมียมากเพราะมีเงินมากลืมเนื้อลืมตัวหลงเนื้อลืตัวหลงตัวลืมยศหลงยศลยืมรายดั้มรายรวยเลยไม่คิดถึงเรื่องนรกเวลามันเผาแล้วสิบแปดมืนปี แล้วเป็นยังไงนี่เพียงมนุษย์เพียงเท่านี้นี่ไม่ได้ท่านไม่ได้กล่าวไว้ในคมภีร์นะว่าพวกเหล่านี้เขาไปหาเอาหมูเอาหมามาเป็นเมียเขาเพิ่มเติมอีกถึงขนาดนั้นเขาตกนรกถึงสิบแปดหมื่นปีถ้าเราได้หมามาติดมาเป็นเมียเป็นฝัวเราเข้าอยู่แล้วเราจะตีหมื่นปีคูณนั้นเข้าไปที่เป็นยังไงเรายังต้าหานอยู่หรือเวลานี้ชาวพุทธของเราแท้ๆมันเป็นยังไง <c oughs> มันหมดแล้วหลีเรื่องบาปเรื่องบุญในความรู้สึกของเรานั่นถ้าไม่ถ้าไม่หมดให้ระลึกหนะ พระพุทธเจ้าตรัสรู้มาในโลกกว่า น, นี้นับตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งถึงวันตายวันหนึ่งองค์สององค์สามองค์นับไม่จบตรัสรู้มานานเท่าไหร่กีกับกี่กันมาเป็นองค์ตรัสรดาสอนโลกสอนแบบเดียวกันหมดบาว่าบา บ, า บ, บุญเห็นเห็นบุญว่าบุญนกรกว่านรกสวรรค์เป็นสวรรค์นิพพาน น, านิพพานพมโลกเป็นพมโลกเปรผีประเภทต่างๆเต็มท้องฟ้ามาหาสมุทร ใ, ในใจโลกฐานนี่ทรงสอนตามความรู้ความเห็นอย่างแท้จริง ไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดสอนแหวกแนวกันเลยสอนแบบเดียวกันนี่สอนมานดาน้เท่าไหร่เรายังไม่รู้ึกตัวของเราอยู่หรือเรายังจะรับหูรับตาอยู่อย่างนี้ตลอดไปไม่คิดถึงเรื่องบุญเรื่องบาปอะไรบ้างหรือก็บุญบาปที่เราไม่คิดถึงนั่นแหละส่วนมากก็คือบาปมันจะเผาหัวใจเราเวลานี้เราเอาอะไรเป็นเครื่องรับรอง เงินไม่ใช่รับรองเราให้ไม่ให้ไปตกนระกนะให้ไปสวรรค์ถ้าเราไม่แปลสภาพสมบัติเงินทองก็ของนั้นมาเป็นที่บงกลรแก่ตนโดยการบริจาค <c oughs> หรือโดยการเฉลี่ยเผื่อแผ่ให้เป็นผลประโยชน์แก่สัตว์และบุคคลส่วนรวมทั่ ว, วไปแล้วก็เป็นผลประโยชน์นี้จะพาเราไปสวรรค์ได้ไม่สงสัยจนกระทั่งถึงนิพพานก็ไปได้ด้วยอํานาจแห่งทานพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงไว้เรื่องของทานทางนั้นเป็นอันดับหนึ่ง ไม่ได้แสดงว่าความตันหนีถี่เหนียวความเห็นแก่ตัวความโคตรความโกงความดีความไถ่นี่ว่าเป็นสิริมงคลทําโลกให้ร่มเย็นนอกจากทําโลกให้ร่มจมโดถ่ายเดียวเพราะความตันหนีที่เหนียวความเห็นแก่ตัวความโคตรความโกงความดีความไหลความไถ่พอได้พอเอาได้แง่ไหนเอาชนะนี่พาจมสําหรับความดีที่เราสร้างได้จากสมบัติของเราที่มีมากน้อยนี่พาไปสวรรค์ปัิพาานพมโลกถึงหงดนี่คือความดี เราจะแปลสภาพสมบัติเกินท้องของเราที่มีอยู่เวลานี้เรามีอํานาจเต็มที่ไปในทางใดให้พิี่นาเสียตั้งแต่บัดนี้อย่าพากันกอบกันโกรย์การนีดการถ่ายการว่านการกวาดเข้ามาหาว่าเป็นของตนของตนเวลาตายแล้วนี่ละ่ะคือฟืน้นคือไฟในะโลกมันจะเผาสัตว์โลกผู้แก่งเก่งตัวเหนืออํานาจของกรรมนี่แหละเวลาตายลงไปแล้วอํานาจของกรรมมันไม่มีใครเหนือได้ล่ะสัตว์โลกกระฐานนี้ไม่มี เพราะกรรมเป็นธรรมชาติที่หนาแน่นมากเหนื้อทุกสิ่งทุกอย่างกรรมดีก็มีอำนาจมากกรรมชั่วก็มีอำนาจมากถ้าเราทําให้เป็นกรรมชั่วก็จมได้คือเราไม่ว่าใครเราใครเ ก, เก่งเอาสร้างลงไปอยให้ท้าทายพระุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทีององท่ตัดจรู้สอนโลกมาด้วยความถูกต้องดีงามนั้นว่าเป็นของไม่ถูกต้องแล้วลบล้างให้หมดบรรดาพระพุทธเจ้าว่าบาปมีบุญมีนรกสวร ร, รค์มีพรหมโลกนิพพานมีเปรตผีประเภทต่างๆมีนั้นเราให้หมด ห้มันมีเหลือตั้งแต่อันตพานคนเดียวที่เลื่อนเลือในโลกของเขานี้สร้างความชั่วให้เต็มเหนียวของตัวเอาของตัวเองแล้วไปอยู่เหนืออำนาจของตําไปขึ้นขี่บนหัวตําของพระพุทธเจ้าที่สอบได้รวงได้ไหมถ้าเราไม่สามารถที่จะไปขึ้นขี่บนหัวของตําที่มีอำาจได้แล้วเราอย่าท้าทายพระพุทธเจ้าอย่าท้าทายพระธรรมอย่าท้าทายพระสงค์ซึ่งเป็นธรรมชาติที่ให้ความร่มเย็นแก่โลกเป็นมหามงคลแก่โลกมานานแสนนานแล้ว เพียงความคิดกวามเห็นของเรามีแต่ความที่น่าทิพยหายแต่ตัวของเราทําความที่น้าทิพหายแก่ตัวของเราและผู้เกี่ยวข้องตลอดทั่วไปเรียกว่าตลอดทั่วถึงใครคาําความชั่วไปกระจายไปได้หมดนั่นเรื่องความชั่วเรื่องตําต้องเป็นอย่างนั้นวันนี้ได้พูดถึงเรื่องกุศลาธรรมมาให้พี่น้องทั้งหลายไปรียดเลือกยาพากันไปเป็นบ้าสวดฟังเทินกันคุยระบายความทุกข์ตามสถานที่ต่างๆฟังแล้วฟังไม่ได้เลยนะ ชาวพุทธเหล่านี้มันกลายเป็นชาวผีไปนานจนเท่าไหร่แล้วเวลานี้มันรู้ตัวหรือยังว่าพระพุทธเจ้ากระเทือนโลกมานานแสนนานตั้งตัด ต, ต, ต, ตั้งกันองค์ปัจจุบันนี้ก็สองพันหรอยกว่าปีกว่าปีเป็นธรรมที่เลิศเล อ, เลอสุดยอดแล้วมันเห็นเป็นความแปลกประหลาดในหัวใจอะไรหรือไม่หรือมันเห็นตั้งแต่ความโลภความโกรธราคะตัณหาที่จะเผาหัวใจมันนั่นว่าเป็นของดีของดีเหลือถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วช่วยไม่ได้นะ พระพุทธเจ้าจะมากี่หมื่นกี่แสนกี่ ล, ล้านองค์ก็มีทางที่จะแก้ไขได้ช่วยได้นะถ้าเราไม่ช่วยตัวเองเสียตั้งแต่บัดนี้จากคําสอนของค์เจ้าที่ทรงสอนว่าด้วยความถูกต้องแม่นยาถ้าเราสอนตั้งแต่บัดเป็นพิธีบัด ต, ต, ต, ต, ตนตั้งแต่บัดนี้ต่อไปแล้วชั่วก็ตามคนเราเมื่อไม่รู้มันก็ชั่วมันทําชั่วได้แล้วแก้ไขเป็นคนดีก็ได้คนดีแล้วเพิ่มเติมส่งเสริมในความดีของตนให้มีหนักแน่นมากมั่นคงขึ้นไปก็ทําได้มนุษย์เราเวลามีชีวิตอยู่นี่ แต่เวลาตายไปแล้วจะนิมนต์ท่ามาทั่วประเทศนะอะกุชลาธรรมามันก็ไม่มีความหมายอะไรเลยนะถ้าเจ้าของไม่รีบแก้ไขเจ้าของตั้งแต่บัดนี้กุชราธรร ม, มาท่านสวดให้คนเป็นฟังให้รู้ได้สติสตังพิจพิจารณาเป็นวิบัติแก้ไขตนเองต่างหากทำมาลีสอนให้กุชลาธรร ม, มาเพื่อคนตายนะถ้าสอนกุชราธรร ม, มาเพื่อคนตายให้เป็นผลประโยชน์ตามความต้องการแล้วไม่จําเป็นอะไรแล้วบ้านหนึ่งเมืองหนึ่งหรือจังหวัดหนึ่งนิมนต์หลวงตา ม, มาสักองค์หนึ่ง มาไว้ประจําจังหวัดนั้ น, น, นเช่นกรุงเทพเอา น, นี้มันมีเมื่อเป็นเมืองใหญ่เอามาไว้สักห้าองค์หลวงตาอยู่ญ่านนั่นห้าองค์หนึ่งอยู่ญ่านนี้ห้าองค์เวลาคนตายตนนิมนต์หลวงตาหล่านั่นมาองค์ใดก็ได้สําเร็จด้วยกันหมดมากูศลาธรมายกคนคนนี้ให้เขาไปสวัสดิภาพันด้วยนา น, นานไปกันหมดแล้วาศาสนาก็ไม่มีความหมายบุญกุศลก็ไม่มีความหมายสร้างหาอะไรสู้หลวงตาองค์เดียวไม่ได้แต่อันนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นแท้ นิมนต์มากว่านมาทั่วประเทศไทยมันไม่เกิดประโยชน์ถ้าเจ้าของหาสาระม่ได้เสิอย่างเดียวท่านั้นไม่มีอะไรเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นจงให้พากันสร้างคุณงามความดีเสียตั้งแต่บัด น, นี้อย่าพากันนอนจมอยู่เฉยๆนะมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเวลานี้หลวงตาพูดจริงๆหลวงตาเปิดออกให้พี่น้องหลายฝั่งด้วยการปฏิบัติมาตั้งแต่เริ่มแรกออกมาปฏิบัติ <c oughs> ทีแรกหัวใจนี้มันจะเป็นธรรมดาเหมือนพี่น้องชาวเราพูดหรือชาวไทยเราทั่วประเทศดินแดนนั่นแหละ เขานาขนาดไหนมันก็นาขนาดนั้นมีความรู้สึกอะไรมันก็เหมือนโลกเชื่อบาปเชื่อบุญเชื่อนรกสวรรค์ก็เชื่อไปอย่างนั้นละลุ่มๆดอนๆสุม 4, ส่มสี่จุ่มห้าแต่เวลาเชื่อความอยากความทะยอทะยานที่จะสร้างฟืนสร้างไฟให้ตัวเองนี่ไม่มีวันจืดจางหนาแน่นเท่าทุกวรรณสุวันท่านเหมือนเราเราเหมือนท่านา น, นี่เวลาเข้ามาศาสนาเข้ามาปฏิบัติศาสนารู้เนื้อรู้ตัวด้วยอัดด้วยทำที่ทรงสั่งสอนไปแล้ว แล้วก็เข้า อ, อกเข้าใจหมุนตัวเข้าสู่ทางด้านปฏิบัติปฏิบัติกําจัดสิเลตออกทางด้วยจิตตภาวนาเวลาเทศใครจะมาคุยนะจะมาพูดนะอย่ามาเป็นข้าศึกต่อกันนะ่ะ <c oughs> นี่เวลาออกปฏิบัติภาวนาจิตใจไม่เคยมีความสงบร่มเย็นเลยตั้งแต่เกิดมาความสุข ป, ประเภทที่เป็นความสงบจา ก, กจิตตภาวนาไม่เคยมีเพราะไม่เคยทําที่เวลามาภาวนาออกจาก ภาคปริญาตแล้วขึ้นภาคปฏิบัติฟาดกับกิเลสบนเวทีคือภูเขาอันนั้นเป็นส่วนนอกภายในคือระหว่างกิเลสกับธรรมฟาดกันบนหัวใจนี้ตลอดเป็นเวลาเก้าปีเต็มแทบจะสลบสลายตลอดมาเพราะมุ่งต่อมรรคนิพานอย่างยิ่งสุดท้ายก็ค้นมือไปไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบตัติตั้งแต่จิตยังไม่เคยสงบมันก็สงบให้เห็นสงบให้จนกระทั่งเกิดความแปรปราราตอันทรย์ขึ้นภายใ น, ในใจิตใจเติดความเชื่อความร้ไนใส แน่นหนามั่นคงในการที่จะประกอบภาวนาต่อไปจนกระทั่งมุ่งใจว่าออกคราวนี้แล้วเราจะเอาตัวของเราให้ถึงพ า, าระหนในชาตินี้แล้วจะให้ถึงนิพพานในชาตินี้ขอแต่ว่าให้มีครูบาอาจารย์องค์ใดองค์หนึ่งมาชี้แจงบอกเราไปให้เป็นความแน่ใจเถิดว่ามรรคผลนิพพานยังมีอยู่โดยสมบูรณ์ก็อพอดีเข้าไปเจอกับหลวงปู่มั่นเข้ามาพอไปเจอหลวงปู่มั่นท่านก็เหมือนกับว่าท่าน เอาเรดาร์จับไว้เลยกับคนนิสัยอย่างเรานิสัยผาโโดโผนโตธทยานมุ่งหน้าต่อมรคนิพานพอไปถึงปั๊บเห อ, อท่านมาอะไรเออท่านมาหามรคนิพานเหรอเออดินฟ้าอากาศฟ้าแดดลินลมไม่ใช่มรคนิพานท้องฟ้ามหาสมุทรไม่ใช่มรคนิพานตลหลอกทั่วแดนโลกธาตุไม่ใช่มรคนิพานไม่ใช่กิเลกกิเลสที่แท้จริงมรคนิพานที่แท้จริงอยู่ที่หัวใจให้สกำจัด นิเรศทิศที่มืดบอดบังคับอยู่ในหัวใจไม่ให้มองเห็นบุญเห็นบาปนี่ออกอกระจ่างภายในจิตใจแล้วมรรคผลิพานจะเกิดขึ้นในสถานที่นั้นนั่นเองเพราะนี่เราสรุปความเลยเพราะท่านชี้แจงอย่างเด็ดขาดชี้ออกมาว่านี่หน้านี่หน้ามรรคผลิพานอยู่ที่หัวใจดวงนี้หัวใจดวงนี้เหมือนกันกับน้ําที่เต็มบึงแล้วนั่นแหละแต่อาศัยจอกแหนมปกคุมห่อให้โมหันน้ำไม่เห็นน้ํำจึงประหนึ่งว่าไม่มีในสระนั้นทั้งๆ ท, ที่น้ําเต็มในสระ นี่เวลาเปิดจอกเปิดแหนคือการภาวนาชำระจอกแหนคือกิเลสทั้งหลายออกให้จางออกไปจางไ ป, งไปก็เริ่มมองเห็นน้ำมองเห็นความสงบนั่นแหละคือมองเห็นน้ำมองเริ่มเห็นความสงบเห็นความเย็นใจเริ่มขึ้นเริ่มขึ้ น, นตากวดขึ้นก็จางแก้งคือไปใจเรียกว่าจอกแหนค่อยวางไปบางไปงได้จากี่เลสพอจางไปจางหัวใจแล้วที่ ทำเหมือนกับน้ําที่อยู่ในบึงได้แต่หัวใจของเราก็เริ่มประกาศขึ้นมาแก้งขึ้นมาแก้งขึ้นมาที่จิตก็ฟัดใหญ่เลยสาธานนี่จพูดถึงเรื่องสมาธิเราพูดอย่างอาถรรพ์เราไม่มีความสุขกัท่านในสามเดือนโลกธาต์นี้ว่าจะไม่เป็นจริงอย่างนั้นมันคลองอยู่แล้วในหัวใจอย่างเต็มหัวใจตลอดมาเป็นเวลา51ปีนี่แล้วยังได้ประกาศให้พี่น้องหลายทราบว่าทำจริงหรือไม่จริ ง, งนี้เวลามันกระจ่างขึ้นมาเรื่อยๆ ผู้ตื่เรื่องสมาธินี้เอานั่งฟาดทั้งวันก็ได้ไม่ได้สนใจกับอะไรเลยมีแต่ความแน่วสงบเย็นไม่มีอะไรที่กะมากวนได้เลยเพียงเท่านี้ก็พอกินแล้วพออยู่พอกินพอเป็นพอไปการกินอยู่หลับนอนการใช้การสอยไม่เป็นกังวลทางนั้นอยู่ไหนอยู่ได้ขอให้ใจมีความสงบร่มเย็นพอใจนี่คือทำเป็นเครื่องอยู่ของใจไม่ได้สนใจกับว่าต้องมีเงินเท่านั้นมียศเท่านี้มีลาบเท่านั้นมีบ้านมีเรือนกี่ห้องกี่หับกี่ตึกกี่ สี่ช่องไม่ต้องไปพูดนั้นเป็ น, นปเรื่องภายนอกหัวใจกับธรรมที่เป็นความสงบเย็นใจอยู่ด้วยกันถอดแล้วทั้งวันทั้งคืนการอยู่ไม่ลําบากการนอนไม่ลำบากอยู่ไหนอยู่ได้นอนไหนในล้มลงที่ไหนหลับตื่นขึ้นมาก็ครองธรรมครองธรรมมีแต่ความสง่างามภายในใ จ, จิตใจลืมวันลืมคืนลืมปีลืมเดือนไปหมดมีแต่ความสว่างกระจ่างแจ้ ง, จงภายในใจท่านหลายฟังหรืออย่างเนี้นี่เราถอดออกมาจากหัวใจมาสอนพี่น้องท่านหลายฟังเราไม่ได้มาสอนเล่เลเลนๆนะเพราะงั้นอะไรมายุ่งจริงไม่ได้นะ ทำเป็นของจริงอย่างนั้นทีนี้เวลากระจางขึ้นมาจากนั่งก็เก้าออกทางด้านปัญญาสมาธิก็ว่าเต็มภูมิแล้วไม่สงสัยเรื่องสมาธิใครจะมาหลอกมาได้ไง่ายๆเรื่องสมาธิเพราะมันเป็นมาสะตั้งห้าปีเต็มอยู่ไหนอยู่ได้สบายๆมีแต่ความสง่างามด้วยภูมิของสมาธิแต่ยังไม่เลิศเพราะเป็นภูมิสมาธิก็เต็มภูมิของตัวเองถ้าเป็นน้ําก็เรียกว่าแก้วเล็กมันก็เต็มแก้วของมันพอจากนั้นก็เก้าออกทางด้านปัญญา ปัญญาพิจารณาถึงเรื่องธาตุเรื่องขันธ์กิเลสตัณหามันติดมันพันกับอะไรกิเลสมันจึงมาทําความทุกข์ให้แก่เราพิจารณามันก็ไม่พ้นจากเกสาโลมานาขาทันตาตาโจนี้ไปได้และเกสาโลมานาขาทันตาตาโจนี้คือภูเขาภูเราภูเขาได้แก่ต้นไม้ภูเขาอันนั้นไม่ติดอันนั้นไม่แบกอันนั้นไม่หามอันนั้นไม่เป็นทุกข์แต่ภูเราคือแบบผมขนเล็บฟันหนังเนื้อหนังเองกระดูกผสมกันเข้า แล้วเรียกว่าคนเรียกว่าสัตว์เรียกว่าหญิงว่าชายอันนี้คือภูเราติดมากแก้ไขได้ยากมากพระเจ้าจึงเอาอาวุธนิวเคลียรอนใส่ก็ามาว่าเกซ่าโรมานาค่าซันตาตาโจนี่สอนพระให้นำบรรณีไปพี่ขายพิจนานี้แลคือภูเราติดติดตรงนี้สร้างปองทุกข์ขึ้นที่ตรงนี้พิจารณาตรงนี้กระจ่างไปด้วยปัญญากระจ่างด้วยปัญญาแยกธาตุแยกกันเห็นธัตตามเป็นยิงประเดิมดับ ผมเป็นผมขนเล็บฟันเป็นผนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นส่วนชิ้นของมันเป็นส่วนที่งานหาว่าเป็นจักเป็ุคนลเป็นตัวเป็นตนเป็นของเขาของเราสวยงามที่ไหนไม่ได้เลยเมื่อจิตมันกระจางแจ้งขึ้นด้วยปัญญาแล้วไม่ต้องบอกอุปทานถอนเลื่อยเลื่อยเลื่อยจนครบรอบไในสิ่งอาวัยวะคือเป็นด้านวัตถุคือพวกเกษาลุมาเป็นต้นนี่กระจายออกไปหมดอุปทานถอนพวกจากนั้นก็เหลือแต่นามธรรมมีแต่ เวทนาสัญนาสังขานวิญญาณพิจารณากิเลสถอดเอาไว้หมดเรื่องอุปทานตามมากิเลสขาดจะ บ, บั้นลงไปในขณะที่จิตใจได้ถอนจากอุปทาน ค, คือคือรูปกายนี้ไปจากนั้นก็ขัดเกลากันไปโดยลําดับเรื่อยเรื่อยเรื่อยต้นจากขั้นโลกขั้นแรกของพระอนาคามีพระอนาคามีท่านบนรรลุขั้นแรกไปยังไงนื้ที่ได้ระดับกันสําหรับผู้บาเพ็ญธรรมในขั้นธรรมะธรรมดาธรรมดา ยกเว้นขั้นที่เป็นคิปปัญญาเสียถ้าคิดปัญญานั่นพุ่งที่เดียวถึงเลยอย่างเราเขียนหนังสือ น, นี่หละคนฝึกหัดเขียนหนังสือเช่นเขียนว่าท่านต้องลึกถึงทสหารสลาแล้วก็นอนหนูแล้วก็ไม้เอกอ่านเรียกว่าขั้นนี่คือผู้เริ่มเอียดเริ่มอ่านเริ่มฝึกหัดเขียนเริ่มฝึกหัดฟัง ทีนี้เวลาเขียนไปนานไปนานแล้วประกอบกับผู้ที่เป็นอุปัตติเรียกว่าคิด ป, ปาปิญญาพอบรรลุปึงนี่ขาดจะบัน้นว่าท่านมาพร้อมกันหมดทั้งตัวทอสานอนหนูมาเอกมาพร้อมกันเลยนี่ผู้สําเร็จเป็นพระอนาคามีขั้นคิด ป, ปาปิญญาท่านพุ่งทะลุถึงกันเป็นท่านมาทันทีสมบูรณ์หมดแต่ผู้ที่ยังไม่เป็นอย่างนั้นเขาฝึกซ้อมกันไปพอได้ขั้น อทอสรารนอนหนูสะกดไม่เอกแล้วก็อ่านเป็นท่านตายแล้วก็ไปอยู่ชั้นอวิหาเลื่อนขึ้นไปชำนาญขึ้นไปก็เป็นอยู่ชั้นอตปาชั้นสุทัศสาสุทัศีอคณิฐานี่เรียกว่าท่านฝึกซ้อมขั้นอนาคาของท่านให้เต็มภูมิเวลานี้ยังไม่เต็มภูมิเบื้องต้นสอบได้ถ้าตายก็ไปเกิดในขั้นอวิหา ถัดจากนั้นจิตละเอียดเข้าไปก็ไปเกิดในท่านเอาอวิหารและอัตปาส่วนสาสุวนศีจนกระทั่งเสื่งในฐานะเก้าเข้าสู่นิพพานนี่เรียกว่าระดับของตามมัคิเรนที่สิ้นซากไปโดยลําดับดดจนกระทั่งสิ้นสุดถึงอกติฐาเต็มภูมิแล้วเ้าเข้าสู่นิพพานเหล่านี้อยู่ที่ไหนเห็นแต่ในตํำลัตําราเขียนไว้ท่านก็เขียนแต่คนไม่ปฏิบัติมันจะไปรู้ได้ยังไง มันก็เป็นแบบแปนแผ huh> ่นผังอยู่อย่างงั้นเหมือนเราสร้างแปนบ้านของเราเนี่ยเอากี่แปนใส่ไว้ในห้องเต็มอยู่นั้นมีแต่แปนเต็มห้องมันไม่เป็นสําเร็จเป็นรูปเป็นนามเป็นบ้านเป็นเรือนตึกราบ้านช่องขึ้นมาได้ต้องไปดึงเอาแปนนั้นออกมาเราต้องการแปนไหนเราจะสร้างบ้านสร้างเรือนสูงต่ากว้างแค่ขนาดไหนเอาแปนออกมากลางแล้วสร้างตามแปนมันก็สําเร็จเป็นบ้านเป็นเรือนตามแปนนั้นขึ้นมาโดยลําดับด่าจนกระทัางเป็นบ้านเรือนสมบูรณ์นี่ชั้นใดก็เหมือนกัน คำพูดทีเจ้าทรงแสดงไว้แล้วสวนขาดธรรมตัดไว้ชอบแล้วชอบอะไรคือแปนของศาสนารวมแล้วก็เรียกว่าแปนบาปแปนบุญแปนนรกแปนสวรรค์แปนสวรรค์แปลนนิพพานแปนเปรตแปลนผีทั่วแดนโลกธาตุรวมอยู่ในแปนแห่งสวนาดธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วนี่ทั้งนั้นถ้าเรานํามาปฏิบัติทําเหล่านี้จะไปไหนก็เหมือนอยางแปนอยู่ในห้องของเราดึงออกมาสิเราต้องการแบบไหนฉบับไหนบ้านขนาดไหนเอาดึงออกมามาสร้าง เมื่อพูดสร้างแปนรับรองความสมบูรณ์แบบในแปนนันแล้วมาสร้างมันก็เป็นไปตามแปนอันนี้แปนของผู้เจ้าแปลนเป็นแปลนถั่วค่ะธรรมตัดไว้ชอบแล้วไม่มีอะไรสงสัยพระผู้เจ้านิพผานไปนานเท่าไหร่มีปัญหาอะไรมันมีปัญหาอยู่กับแปนที่เราเรียนมาแล้วเราจะปฏิบัติตามหรือไม่ปฏิบัติตามเท่านั้นถ้าไม่ปฏิบัติตามมันก็เป็นหนอนแคะกระดาษอยู่งั้นเรียนไปไม่สนใจปฏิบัติ มันจะเป็นมรรคเป็นผลขึ้นมาอย่างไรคำว่าสมาธิก็มีแต่ชื่อความจําไม่เฉยความจริงไม่มีในใจเป็นประโยชน์อะไรคําว่าสมาธิเรียนสมาธิมาแล้วออกปฏิบัติตามสมาธิทางงการดําเนินเพื่อจิตที่เป็นสมาธิท่านก็บอกไปแล้วว่าเก า, เารารุ่มานะะัขาทันตาตาโจ ω, นี่คือทางเดินแป่พิจารณาตามนี้แล้วมันก็เหมือนกับสร้างบ้านสร้างเรือนค่อยรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาเรื่อยเห็น เห็นผมเห็นขนเห็นเล็บเห็นฟันเห็นเนื้อหนังเองก็ดูกตับไตใส่ผงแยกออกจากจากชาวบุคคลไม่มีใครมีเป็นเขาเป็นเราเป็นหญิงเป็นชายฟาดลงไปแล้วก็เป็นธาตุสี่นิ่มลงไปนี่แจงแปลงลงไปสร้างลงไปอย่างไรมันก็เป็นบ้านแห่งความสงบขึ้นมาจิตก็เป็นสมาธากิจเป็นสมาธิจิตขึ้นมานี่เป็นขั้นๆจากนั้นก็พิจารณาทางด้านปัญญาเพิ่มขึ้นสูงขึ้นแยกธาตุแยกขัน กระจายกระจายไปจนกระทั่งรู้แจ้งแทงทะลุธาตุขันดินขึ้นถี่ดินน้ำหลวไฟคากระจายไปด้วยอำนาจแทง เ, เ, เ, เ, เรียกว่าอนาคามีผลอนาคามีมากอยู่ในนี้เสร็จเลยนี่อำนาจแ่งธทมคากระจายไปจากนั้นก็ก้าวเดินขึ้นไปเรื่อยๆ เ, เป็นนามธรรมรูปคือพิจารณาร่างกายนี้เสร็จแล้วลเวทนาคือกายกายยเวทนาความสุขความทุกข์ความจเจ๋งในกายก็มีใน ใ, นใจก็มี แต่เมื่อเวลาพิจารณายังไม่ถึงถี่ช่วนแล้วกับมันมีทั้งกาทั้งใจนั่นแหละเรื่องเวทนาทั้งสามนี้เวลาพิจารณาเข้าไปก็แจ้งอันนี้เข้าไปพิจารณาเห็นเป็นเงาเป็นเงาเข้าไปซร่งวันนี้เป็นเงาทางนั้นทางนั้นติดตามด้วยปัญญาปัญญาปัญญาขั้นโดยลําดับปัญญาที่ ค, ค, คงกล้าที่เป็นประโยชนตัวตัวเองเป็นปัญญาที่ขั้นจากการ ม, มกิเล็ไปแล้ว พิจนารณาเรื่องการมกักเล็ดเป็นชุนลมุนวุ่นวายมากเหมือนฟ้าดินถล่มเพราะปัญญาขั้นการมกักเล็นี้เป็นขั้นที่หนักหนามากทีเดียวครูเขาทั้งลูกสู้ไม่ได้ปัญญาจะมาใช้กับเครื่อง ก, การมกักเล็ดจะมาทํเยาเยอะแย่แย่ไม่ได้ต้องเป็นฟ้าดินถล่มแบบเดียวกันจนกระทั่งถึงการมกักเลสดพังลงไปแล้วปัญญาขั้นนี้ก็หมดความหมายไปเหลือแต่ปัญญาขั้นกลางๆที่เป็นน้ําจับน้ํำซึมไหลหลินอยู่ทั้งแล้งทั้งฝนพิจารณาสภาวธรรมทั้งหลายเป็นอัตโนมัติโดยตัวเอง โดยไม่ต้องมีอะไรเป็นเครื่องบังคับบัญชาให้เป็นไปนี่เรียกว่าธทำก้าวเดินแล้วทําถึงขั้นนี้เป็นธรรมที่ก้าวเดินแล้วยังไงก็ไม่อยู่เพราะฉะนั้นพระอนาคา ม, มีเวลาท่านตายแล้วท่านจะไม่กลับมาเกิดอีอะไรจะพาะท่านกลับมาเกิดเครื่องดึงดูดก็ไม่มีอะไรเกินการมัคิเลตการมัคคิเลที่ ด, ามมาท ด, ดึงดูดได้มากเท่าไรได้ไม่พอหนักหน่วงที่สุดคือการ ม, มาัคคิเลต เวลาฝาดมันขาดกะบ้านลงไปแล้วเหมือนบ้านร้างจิตใจนั้นมีแต่คุณธรรมที่คิดเจตนาแปลกๆต่างๆมีแต่เรื่องอัานเรื่องทำเพื่อจะถอดถอนตนไปโดยลําดับเท่านั้นคิดนาคิรณาที่จะเป็นการกด่วงตัวเองเหมือนกิเลสกามมเขิแต่ก่อนไม่มีในจิตก็เดีดขึ้นดีดขึ้นหน่อยที่พอพิจารณาถึงพวกเวทนาสังถารวิสังขารวิญญาณที่มัน เ, เป็นเงาเป็นเงาเทียมอยู่กับจิตพิจารณาตามเข้าไปตามเงาเข้าไปก็ไปถึงตัวจิต นี่เมื่อเราเข้าถึงตัวจิตจิตนั่นแหละเป็นมหากษัตริย์อยู่ในพระราชาวังไม่ไปทํางานอะไรตัวทํางานจริงๆที่ผาดโผนโจรทะยานมากได้แก่การเมเจอร์ตัวนี้ตัวสําคัญมากทําผ้าดิน้หลงได้คนเราให้มีความ <c oughs> ชิบหายวายป่วงมาได้พินาศชิบหายไม่มีชิ้นเหลือก็ดวยอำ น, นาจแห่งกามเกเจรตัวนี้แหละสร้างโลกภัยพินาศทาโลกภพินาชิบหายได้เพื่อตัวนี้ขาดจะบ้านกว่าแล้วไม่มีอะไรที่จะเป็นภัยต่อโลก หนักมากยิ่งกว่ากิเลสตัวนี้นึกมิจฉาเก้าเข้าไปสู่ความดิบความดีละเอียดทีช้วนเข้าไปโดยลําดับจิตเก้าเข้าไปเป็นอัตโนมตัติอัตโนมัติดีเรียกว่าธรรมมีในใจแต่ก่อนกิเลสมีในใจคิดแง่ในมุมใดเป็นกิเลสนําหน้านําหน้านําหน้ า, นนาทั้งหมดเลยวัตจักรที่ออกจากวัตจิตจิต ค, คิดเรื่องอะไรเป็นเรื่องกิเลสเรื่องความโลภ ค, ความโกรธราคาตันหาไปหมดแต่เวลาชําระสาสามันไปได้เป็นสติ เป็นเต็มสติกำลังแล้วอันนี้ขาดลงไปขาดลงไปสติปัญญาที่เป็นธรรมัตุนมัติก็เกิดขึ้นแทนที่ทีนี้ก็เป็นอันเดียวกันอันเดียวกันฉันใดคือกิเลสนี่แต่ก่อนมันเป็นวัตจักรสร้างเนื้อสร้างตัวของมันในหัวใจของสารโลกให้เกิดเจ็เจ็บตายบูดเ ย, ยนเ็นเป็นแปลงนี้ตลอดตั้งตับตั้งกันมาไม่มีสิ้นสุดยุติลไมได้เลยพอ ตัวนี้ขาดจะบ้านลงใบแล้วกามกิเลสนี่ตัวสําคัญตัวสร้างคบสร้างชาติมากที่สุดคือตัวการมกักเล็ดเพราตัวนี้จะขาดจะบ้านลงไปแล้วทีนี้มันก็เป็นสติปัญญาอตโนมัติคือเป็นไปเองเป็นไปเองชําระกิเลสนี้ไม่ต้องมีวันมีคืนมีปีมีเดือนไม่มีอิริยาบทอยู่ที่ไหนเป็นเรื่องการชํารัสสสารกิเลสโดยอัตนมัติของสติปัญญาสร้างเนื้อสางตัวในครั้นี้ตลอดไปจงก็ตั้งถึงวิมุตติหลุดพ้นนี่เมื่อสร้างไปโดยอัตนมัติ จากสติปัญญาอัตโนมตัติเนี่ยแล้วก็กลายเป็นมหาสติมหาปัญญาเชื่อมโยงถึงกันไปเลยขั้นสติปัญญาอัตโนมัตินี่ถ้าหากว่าเราฟันไม้ก็เป็นฟันเป็นบดเป็นบัตราะแปลกแปลกแต่ทําไม่ถอยแต่ขั้นมหาสติมหาปัญญาแล้วเป็นสติปัญญาที่ซอมซาบไปตลอดเลยนี่เรียกมหาสติปัญญาทั้งสองประเภทนี้เลยกลุ่มกลืนกันแล้วกิเลสไม่มีทางอยู่เลย กิเลสเพือเป็นความจริงเฉพะภาพหนึ่งมันจะมีมากน้อยเวลาอยากก็ไฟคือจับปัดรำได้แก่สติปัญญาเผาลงไปอย่างรุนแรงเช่นเผาตามกิเลสนี่เผาแบบฟ้าดินทร่มพออันนี้เผาลงไปแล้วก็เผาแบบกลางกิเลสแบบกลางแล้วไฟก็ไฟแบบกลางคือสติปัญญารมนั่นแหละเป็นไฟเผาไปเรื่อยเผาเรื่อยกิเลสมีละเอียดขนาดไหน ไฟก็ไม่ตามกันไปความที่ตามความละเอียดของของเชื้อไฟคือความจริงทั้งหลายมีกิเลสเป็นสาคัญจนกระทั่งกิเลสมุดมอดไม่มีอะไรเหลือแล้วไฟก็ดับเองไม่มีอะไรเหลือแล้วมันจะเผาอะไรไปไฟไฟมันก็เผาเชื้อเมื่อหมดเชื้อแล้วมันก็ดับเองอันนี้กิเลสเป็นเชื้อของของไฟคือธรรมเมื่อกิเลสสิ้นสร้างไปแล้วมันมีอะไรเหลือแล้วไฟคือธรรมที่จะเผาไหม้มันก็ไม่มีนั่นแหละท่านว่าบรรลุบุรุษมศ ท่านตั้งหลายไปหาบรมามาสุขทั้งไหนเวลานี่ไปหาที่ไหนหรือหาตามลองนิเกละครระบำลําโปโหาตามมันมีเมียมากผัวมากเหนือเนือ น, น, น, นั่นหรือเป็นของวิเศษวิโสพิจารณาให้ดีนั่นเรื่องล่านี้ทำมาสอนอย่างนั้นจริงจริงบินนอกนารายบินนอย่าลืมเนื้อหลืมตัวเกิดมาตายทิ้งเปล่ามันไม่นั่นนตายอย่างนี้แล้วมันจะไปเกิดอีกตัวเชื่อมของมันคืออวิชานั่นนะ ว, ว, วัตถกิจวัตถจักตัวอวิชา แล้วก็สร้างตัวขึ้นมาด้วยกิเลสตัณหาพาเกิดพาตายล้มตมอยู่ในนรกมันมีน้อยเมื่ อ, อไหร่นรกท่านแสดงไว้ว่าไม่กี่หลุมหลุมหนึ่งบริษัทบริวารของในนรกนั่นน่ะนรกแต่ละหลุมมีบริวารกี่หลุมกี่หลุมท่านแสดงไว้แล้วในมหาวิบากเต็มไปหมดเห็นเดียกันทุกคนเรียนมาแล้วเป็นแต่ความจริงล้วนไม่ไดีมาหลอกลวงสารโลกแต่กิเลสมันหลอกลวงตลอดเวลาว่าสิ่งเหล่านีไ้ไม่มีไม่มีสิ่งที่มีคืออะไรมีแต่ความอยากความทะเยอนขยานความลบล้างความจริง มันลบล้างเขาไปตลอดเวลานี่เราต่าโลกยิงไม่มีความอิ่มพอในความหลงความงม ง, งายและความทุกข์ความทรมานไปที่ไหนมีแต่ความทุกข์เดือดร้อนเต็มบ้านเต็มเมืองเราไปหาที่ไหนเมืองไหนว่ามีความสุขความเจริญไปหาทีนะ่ไหเอาทำเอาเหล่านี้ไปหามาแข่งทำซะหน่อยถ้าทำมือเจ้าเป็นของต่อมีจริงแล้วจะยอมรับพระบูชาจะไม่มให้มีในโลกที่ต่อไปจะให้มีกิเลสของบ้านของเมืองพระท่านมันพาให้โลกได้รับความสุขความเจริญแต่กิเลสไปที่ไหนมันเป็นไฟทั้งนั้นมันเจริญที่ไหน พิจารณาที่ทำใดที่ไหนมีแต่ความจะเจริญรุ่งเรืองผาสุกล่มเย็นแม้ที่ถูกผัวเมียอยู่ด้วยกัน <c oughs> จะทุกข์จนหนโลกขนาดไหนก็ตามเมื่อมีความซื่อสัต์สุจริตจงรักภักดีฝากเป็นฝากตายต่อกันด้วยความผู้เป็นผู้มีผัวเดียวเมียดังนั้นผู้นี้มีความสุขมากกว่ากว่ายิ่งกว่ามหาเศรษฐีที่มีเมียเป็นร้อยคนเป็นใดๆนี่แหละพิเลส <c oughs> มีเมียมาเท่าไหร่จะหาความสุขไม่มีแต่ฟืนแต่ไฟมาเผาไหมสกุลแรกเด๋ยวไปหมดถ้าทํามีผัวเดียวเมียเดียว <c oughs> อภิชตานั่นตังที่ให้ความมักน้อยหัวเดียวเมียเดียวพอแล้วเท่านี้เป็นความสุขถึงจะทุกบ้างก็ทุกธรรมดาไม่ก็ทุกก็เทือนถึงเรื่องจิตใจระหว่างสา ม, มีภรรยาไม่หลงลอยกันและแค่และพายกันอันนั้นเป็นความทุกข์มากนี่ละเรื่องของกิเลสมันสร้างตั้งแต่ความทุกข์ขึ้นมาถ้าทําแล้วมีหัวเดียวเมียเดียวพอไม่ต้องไปหายุ่งมาจากที่ไหนอีกมาเผากันใครๆมันก็มีเท่ากันไปหาอุตรีมาทําไม ของไม่จริงมันหาอวดมาว่าเป็นของจริงของหญิงมันหลอกมันลบล้างมาเป็นของปลอมมันหมดผัวเดียวเมียเดียวนี้บกพ่องที่ไหนมันสมบูรณ์แบบแล้วผู้ชายคนหนึ่งมันมีอันเดียวเห็นไหมใครมีผู้ชายคนหนึ่งมันมีสิบขวัย20ควัยมีไหมแล้วผู้หญิงคนหนึ่งมันมี30มสีสี่ที่ผีมีไหมมันก็มีหีเดียวคอยเดียวขวัยเดียวเหมือนกับผัวเมียเดียวนั่นแหละมันไม่ผิดแปลกอะอะมาแข่งกันหาอะไรนี่คือทำเพื่อเจ้าไตนาผามันตรงนั้นสิ มันจะไปยุ่งได้ยังไงเขาก็ของเขาก็ของเรามันก็เท่ากันเท่ากันดีดิด้นไปหาอะไรเพี้ยงเท่านี้อยู่เป็นสูขแล้วไม่ต้องดีต้องดิ้นนี่เราทำพระเจ้าให้เกิดความสุขถ้าทำถ้าเป็นเรื่องของกิเละไม่พ อ, อคนนี้ไม่พอถึ ง, ถ, งถึงได้ไดมีอเดียวก็ตามมันมีว่าสิบคนมันจะมีมาสิบผีมันจะว่างั้นนะผู้ชานี้มีคนเดียวฝวยเดียวก็ตามเมื่อมี10สบสชายขึ้นมามันจะมีสิบฝวยมันจะเอาสิบฝวยเข้ามาอวดนั่น นี่กิเลส ม, มันมันมันแข่งทำมันแข่งางา น, นขอให้เป็ น, น้องตลาดจําทุกคนนี่โลกของจริงของปลอมมันโตต่อไนอยู่เวลานี้โลกของเราจรงึงได้รับความทุกร้อนเราไปหาที่เอามาแข่งทำพระพุทธเจ้าว่าโลกไหนที่มีความสุขเกินกว่าธรรมของพระพุทธเจ้าที่สอนไว้แล้วนี้ที่ไหนไปโลกไหนมีแต่โลกกิเลส ต, ตันหามีแต่โลกฝืนโลกไฟเผาไหม้ไปหมดไม่ว่าคนมีคนจนคนโง่คนฉลาดกิเลสทุมตัวฝืนรถไฟเผาไหมอยู่ภายในจิตในใจมันหาความสุขไม่ได้นะ อยู่ที่ไหนก็สุมกันอยู่ภายในโหภายในหอกครั้นเวลามาหากันก็ประดับประดาตกแต่งร้านค้าคือสังขารร่างกายตกแต่งให้สวยงามสุภาพชนหรือแต่งเนื้อแต่งตัวหรูหราฟู่ฟ่าตามบ้านตามเมืองประดับประดาตกแต่งรันตกแต่งตั้งแต่ภายนอกนะส่วนภายในคือหัวใจนั้นมีแต่ไฟความโลภความโกรธราคาตันหาไฟดีดไฟดิ้นเผาอยู่ในหัวใจตลอดทุกคนทุกคนทุกค น, กคนไม่มีใครเว้นเว้นแต่ผู้มีธรรมมากน้อย ถ้ามีธรรมมั่น้อยจะเป็นคนจนก็ตามคนมีก็ตามมันมีความสุขได้คนเราถ้าไม่มีธรรมแล้วไปไหนจะเอามาอวดพวระพุทธเจ้าโลกนี้คือโลกต้องจมดว้วยความทุกข์ทั้งนั้นแหละถ้าไม่มีธรรมแล้วใครจะอวดนะว่าตัวเป็นคนเก่งคนดิบคนดีไม่มีดีมีแต่แต่สนเจ็กจันปัญนยอกันอย่างนั้นแหละนี่พูดถึงเรื่องอัดเรื่องธรรมให้ผิดน้องทนายได้ฟังว่าศาสต์สนาของพระพุทธเจ้าท่านเจนยังไงนี่ก็ได้ลืมไม่ผู้ใหญ่ที่ผิดน้องทนายฟังที่กล่าวมาตะกู่นี้ถึงเึงว่าคติปัญญาสนุมัสรงกระทัง ถึงมหาอสีมัญญาฟ้าจิเลตขาดส บ, บันลงไปจากกิจใจนี้หลวงตาได้ปฏิบัติมาแล้วนะได้รู้ได้เห็นตามนี้แล้วจึงมาสแสดงให้พี่น้องหลายฟังไม่ได้มาโกหกโลก น, นเวลานี้เราไม่เคยมีโกหกโลกเราสอนโลกด้วยความเมตตาเราร้ว่าไม่มีการว่าแบ่งสันปันส่วนอะไรจากพี่น้องทั้งหลายนี่เลยนะเราสอนด้วยความเมตตาเพราะฉะนั้นการพูดด้วยความเมตตาจึงพูดด้วยเต็มเม็เต็มหน่วยตามหลักความจริงไม่อ้อมคอมนี่คือธรรม ภาษาต้องทําต้องพูดไปอย่างโกงไปโก่งมาถ้าภาษาที่อ้อมแอมอ้อมแ อ, อ ม, ออมประจบประแจงเรียแคลงเรียขาไปอย่างนั้นแล้วภายในมันไม่ได้จกลียงมันหลอกกันสําหรับทำนี่โก่งไปอก่งมาผิดบอกว่าผิดถูกบ่าถูกนี่เราก็ได้ปฏิบัติตัวของเรามาอย่างนี้แล้วเต็มกําลังของสามารถเป็นเวลาเก้าปีถ้าว่าติดคุกก็มันเลยคุกไปเฉยแล้วละ่ะเขาติดคุกติดตารางกี่ปีก็ตามเขาไม่ได้มีความทุกข์นะ มีสักคนโลกเขาไม่ยอมรับโลกเขาไม่นิยมโลกเขาไม่นับถือแล้วก็ไปตกเรียกว่าอับเขาใหญ่นั่นเรียกว่าคนขี้คุกคนตารางนักโทษก็ว่าแบบนั้นความจริงเขามไม่ได้ทุกข์มากอะไรนะจากตอกเหลาตอกวันหนึ่งได้ห้าเส้นพอฆ่าเวลาเวลาให้ผ่านไปมันไปพอถึงวันออกจากคุกจากตารางเท่านั้นแต่เราฆ่ากิเลสเราไม่ได้เป็นอย่างนั้น พอตื่นนอนขึ้นมานี่ฟาดกันแล้วกับกิเลสความโลภความโกรธความหลงราคาตัญหามีอยู่ภายในใจสติปัญญาอยู่กับภายในใจฟาดกันตลอดเวลาเลยความอดความหอิ่มนี่ไม่ต้องพูดแล้วความทุกความทรมานแสนทาร์จ้นกระทั่งฟาดกิเลสขาดจะบั้นลงไปจากกิจใจตั้งแต่เริ่มกิจเป็นสมาธิถึงขั้นปัญญาปัญญาเฉลียวฉลาดแหลมคมตาเปลืองเต็หมหัวใจกิเลสตัวไหนขาดจะบัน้นพังไปหมดจนกระทั่งจ้าขึ้นมา เต็มหัวใจในวันที่15พฤษภาคม2493หลังวัดดอยธรรมเจดีจังหวัดสกลนครนั่นเวลา5ทุ่มพอดีเป็ง น, นั่นเป็นวันตัดสินเด็ดขาดกับพบกับชาติที่เคยเกิดแจเจ็บตายหามของทุกตลอดมาตั้งกลับตั้งกันได้สิ้นสุดยุติลงแล้วในคืนวันนั้นด้วยคำบทว่า ญาณนนจักรพรรดเมรัสนังอุฒิปาดีที่พระพุทธเจ้าประกาศท่าทางพระเบญจประกีทั้งห้ามันก็มาเข้าในหัวใจของเราเต็มดวงยานความรู้ความเห็นอันเลิศเลอได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราอากุปาเมวีมุติความหลุดพ้นของเราไม่มีการกำเริบแล้วอริมันติมาชาติชาตินี้เป็นชาติสุ่ท้ายของเรา นัทธีดานีปุณภโฐ์วบัดนี้เราจะไม่มาเกิดตายแบกหามของทุกอีกต่อไปแล้วนี่ประกาศบ้างคืนมาในจิตของคืนวันที่สิบห้าพฤษภาคมสอง3สเสมเวลาห้าทุ่มเป็นพอดีตั้งแต่บัดนั้นมาเราไม่เคยได้มีความคิดแยบหนึ่งแม่บันทีไม่สายว่ากิเลสได้ขาดสะบันลงไปจากใจของเรา ด้วยความประจักษ์ใจประหนึ่งว่าฟ้าดินถล่มในคืนวันนั้นระหว่างกิเลสกับธรรมขาดสะบ้านจากกันคือวัฏจักรกับวิวัฏจิตขาดสะบ้านจากกันในคืนวันนั้นแล้วได้ปรากฏกิเลสขึ้นมาแม่แม่ถินแมทสายพอให้เราเกิดความสงสัยไม่เคยมีจกระทั่งบันนี้เพราะฉะนั้นจึงต้เทศ ธ, ธรรมของจริงให้พี่น้องหลายฝั่งอย่างเต็มหัวใจไม่จะโลกทานใน3มแดนโลกทานนี้เราไม่เคยหวั่นกับอะไรเราพูดตามหลักความจริงพระพุทธเจ้า ปฏิบัติมารู้ได้เห็นได้ไดทำสอนโลกสอนเพื่อให้รู้เห็นเพื่อมรรคผลนิพพานแล้วโดยลําดับลำดั บ, ดบผู้ทรงมรรคผลนิพพานตามพระพุทธเจ้ามามีสาวกเท่าไหร่พระพุทธเจ้าตัดสัรู้ธรรมขึ้นมาเท่าไหร่แล้วสาวกบรรลุธรรมขึ้นมาเท่าไหร่ล้วนแล้วแต่ทำทรงทำเป็นธรรมชาติอันเดียวที่พ้นจากกิเลสด้วยกันด้วยกันเป็นธรมธธรมธาตุธรรมธาตุแถมมุนสมมุลแบบด้วยกันเมื่อจิตก็เป็นธรรมชาติจิตอันเดียวสมควรแต่มรรคผลนิพพานด้วยกันแล้วปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้า ให้ถูกต้องโดยสูุขาธทําทแล้วมันเมื่อมันรู้แล้วเห็นแล้วทําไมจะพูดไม่ได้ยิ่งเรศเต็มหัวเต็มโลกธาตุทาไมมันออกแค่นผ่านตีบ้านตีเมืองตลอดไม่มีใครขยะแขยงมันบ้างว่ามันผิดมันเป็นผิดต่อโลกต่อองคสารทํานี้เป็นคุณต่อโลกท่องคสารตลอดมาตั้งกับตั้งกันเฉพาะ อ, อย่างยิ่งพระพุทธเจ้าของเราที่ม า, าตัดแต่รู้ใน ในแดนมนุษนี่แล้วสองพกว่าปีท่านประกาศตั้งวานมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าถึงสาวกฐานเป็นศานะของพวกเรามานี่นานเท่าไหร่ทาไมหลวงตาบัวจะพูดไม่ได้ทําอันเดียวกันปฏิบัติอย่างเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันพูดไม่ได้มีอย่างหรือถ้าพูดไม่ได้ก็แสดงว่าศาสนานี่หมดแล้วจะไม่มีอะไรเหลือเหลือตั้งแต่กิเลสของบ้านคลองเมืองพร้อมกับเอาไฟเผาบ้านเผาเมือง ให้เดือดร้อนหนุนวายและสำนักสายตลอดเวลาหาที่ยุติไม่ได้ตลอดไปไม่ว่าจะตลอดมาเลยถ้ามีทาเข้าสกัดรัดกั้นแล้วจะมีทางออกทางเดินคนเราแม้พบชาติจะยืดอาขนาดไหนก็ตามเมื่อมีคุณงามความดีประพฤติปฏิบัติตัวให้เป็นคนดียแล้วจะต้องมีความดีเข้าแทกเข้าแสงมีสกัดรัดต้อน พบชาติท้องตนที่ยืดยาวขนาดไหนก็จะหดย่นเข้ามาความทุกข์มีมากขนาดไหนอํานาจแห่งบุญแห่งกุศลจะค่อยตัดทอนให้หดย่นเข้ามาโหดย่นเข้ามาผลสุดท้ายก็ลงในขั้นแน่ใจเช่นอย่างพระโสดาท่านสําเร็จเป็นพระโสดาแล้วอย่างหยาบท่านจะกลับมาเกิดเพียง7ชาติเท่านั้นอย่างกลางมาเกิดเพียงสมชาติอย่างสุดยอดเรียกว่าอย่างอุกติก็มาเกิดเพียงชาติเดียวบรรลุถึงนิพผานไปเลยนี่เรียกว่าบุญกุศล เป็นเครื่องตัดถอนความชั่วช้าระมวกตลอดถึงวัฏจักรที่เราจะแบกหามไปเป็นนานให้ขาดสะวันเข้ามาเข้ามาโดนกระทั่งถึงชาติเดียวแล้วบรรลุมรรคผลนิพพานขึ้นมานี่เป็นบรรลุขึ้นมาตัดภกชาติความทุกข์ทลายขึ้นมาด้วยอาํานาจแห่งบุญแห่งกรรมที่เราสร้างมาอันดีงามมีนะไม่ใช่ตัดมาได้ด้วยอาํานาจแห่งการสร้างบาปมากๆนะ เอ่การสร้างบาปโลกมากโกรกมากราคะมากตันหามากสร้างบาปสร้างกรรมไวมากนี้ไม่ได้พาเราไปสวรรค์ที่ผ่านนะจะพาจมลงในกองทุกข์ตั้งตับตั้งกันหาวันฟื้นฟูนไม่ได้ขอให้พี่น้องทั้งหลายได้จดจดําเสียทำบุญเจ้าออนี้เพิ่งบังเกิดมานี่หรือช้อนมานานแล้วหัวใจมันไปอยู่ที่ไหนมันจึงไม่ยอมรับธรรมมันจะยอมรับตั้งแต่ฟืนจะไฟเผาไม่มีวันอิ่มพอหรือให้เตือนตัวเองนะสิ่งอันนี้ให้ถามตัวเองบ้าง ทำพระเจ้าประกาศกังวานอยู่นี่นี่พูดจริงๆพูดถึงน้องหลายฟังนี่จิตใจมันสว่างจา้าครอบโลกธาตุแล้วเนี่ยไม่จะมาพูดเฉยๆนะพูดอย่างจริงจังถอลงมาจากหัวใจมาสอนสอนนี้แล้วก็ไม่ได้สอนสาธุเราไม่ได้ไปหาคําระานําพีนั่นคาพีนี้คำพีในคือหลักธรรมชาติของอันถูกเจ้าเนร迦พระเจ้าตรัสรูปมาก่อนแล้วพระไกรเปโตกเกิดทีหลังนะเพระไกรปโตกัมมีนินัยปโตกพัมมิธรมปโตกัม สู่ท่านตาปีดกท่านเจรนัยออกไปจากธรรมชาติที่เป็นของจริงภายในเรียกว่าพักใจปีดกในพระพุทธเจ้าตรัสรูปพักใจปีดกในพระอรหันตรัสรูปพักใจปีดกในผู้มาได้ยินได้ฟังแล้วจดชะลึก อ, ออกไปจึงแยกเป็นพระปิดกนั้นปิดกนี้ปีดกแปลว่พาพาชนะเนีปีสกาปิสกาแปลว่าพาชนะแยกออกเป็นรับรองพระวินยัยรับรองพระพระสูตรรับรองพระปรามาสท่านจึงแยกออกเป็นสามพกไกใจปีดก แต่ก่อนท่าไม่ได้พูดว่าปีโยคใดปรีโยคใดแล้วทำจัดสรูป้ปึงขึ้นมาภายในนั่นแหละคือทำแท้พระอรหันต์ท่านก็ตัดสรู้ทำอย่างนั้นแล้วก็แยกออกมานี่เวลาเทศนาวาิการเราก็มันจึงไปไปหากำผี์ที่ไหนทอนออมาจากหัวใจนี่เลยเพอได้ผ่านกันที่ทุนีสนามลบทั้งทั้งความโง่ความฉลาดดูที่หัวใจระหว่างกิเลสจะทำฟัดกันกิเลสทําคน้โง่ทำ ทำนั่นทำคนนัชฉลาดฟาดกันที่หัวใจเมื่อกี้ขาดสะบ้าลงไปแล้วความฉลาดนึกมาฉลาดมันก็นรู้ตัวของมันเองนำํำทำประเภทนี้เองมาสอนพี่น้องท่างหลายเวลานี้เราไม่ได้ไปต้นเตาเกาหมัดมาที่ไหนมาสอนนะเราอาถารเต็มที่ที่จะมาสอนโลกเวลาเนี้ยเอาใครกัดข้องตรงไห น, นถามมาเรื่องมรรคนิพพานเนี่ยเราพูดจริงๆอย่างนี้นะมันคลองไว้หมดเต็มหัวใจครอบโรกธาตุมันจะว่าอะไรถ้าก็เป็นแสงแปลพาเหมือนพาที่นี้เผาคนในรัตนสกุลารีแหลกหมดมันเผาห้หมดแต่นี่ทำไม่ใช่ไฟ มันเย็นฉ่าไปหมดเขาไม่เย็นเราก็เย็นแต่เราก็พอแล้วพวกนั้นจะร้อนขนาดไหนก็ตามคนอื่นร้อนพรามีผัวมากเมียมากแล้วไม่สนใจแล้วไม่มีผัวเมียกับใครเรามีเอโกทำโมทำเดียวเของใจแล้วเราเป็นที่พอใจสบายไปเลยท่านทั้งหลายได้ฟังในอย่างวันนี้ธรรมของจริงพระเจ้าสอนโลกมานานแสนนานยังเห็นว่าเป็นโมคาอยู่หรือยังเห็นว่าเป็นเศษตรดาษอยู่หรือเห็นว่าเป็นตํารายหรือไม่เห็นว่าเป็นธรรมหรือ เห็นเป็นของจริงตั้งแต่ความโลภความโกรธความหลงรักถาตันหาเตี่ยวไฟเผากันทั้งโลกเวลานี้เหรอนี่หรือของจริงถ้ามันมากกว่านี้แล้วโลกนี้จะพินาศทิพไห่นะถ้าไม่มีใครยอมรับความจริงวันนี้เทศนาว่าการก็รู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยเ <c oughs> พราะเทศไปเทศไปตอนก่อ น, อนมาเทศนี้ก็ <c oughs> ได้เทศที่อุติแล้วนั่นนะธรรมมันเข้าถึงใจมันถึงบอกเองนะว่มีอะไรพุ่งออกมาพุ่งมาพอเทศแล้วเครื่องมือคือร่างกาย มันอ่อนเปียกจนจะเทมาได้กลับมานี้จะมาพายุงเรียกว่าดับเครื่องชู่หนึ่งประมาณสามสิบนาทีแล้วจึงได้มาเริ่มติดเครื่องใหม่เพราะฉะนั้นเครื่องนี้จึงไม่ได้เป็นเต็มเม็ดเต็มหน่วย ท, ท, ทั้งที่ทำนี่เต็มหัวใจตลอดเวลาแต่การแสดงออกมาพี่น้องสราทราบทึ่อาศัยเครื่องมือคือร่างกายนี้กาลังร่างกายอ่อนเปียกลงไปแล้วเวลานี่ การเทศนาวาการจึงไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยสมใจที่มีความเมตตาต่อพี่น้องต่างหลายอยากเทศนาวาการของจริ ง, งทางธรรมวิญญาที่คงไว้ในหัวใจคงเส้นคงวาตลอดมาได้ห้าบปีนี้ไม่สะสกสานแต่สิ่งใดยังได้แสดงให้พี่น้องหลายฟังใครจะฟังเพื่อเป็นมงคลก็ให้ฟังใครฟังอยากให้เป็นไฟเผาตัวเองก็ให้เพิ่มเข้าไปอันนี้ไม่มีใครช่วยเลยนะเราเกิดมาเราต้องช่วยตัวเองทุกคนทุกคนดีช่วยเราต้องหวัง กับชั่วเราทําชั่วเราต้องเป็นทุกข์ความทุกข์นั้นอาจจะบีบบี้หี่ไปของเราเรียทําเราทําความดีความดีจะเป็นความสุขจริญรุ่นเรืองในหัวใจของเราให้ยึดเอาอาตรธรรมนี้ไปเพื่อปฏิบัตินะเรื่องมรรคเรื่องผลเราไม่ต้องถามว่ามีหรือไม่มีจิเลสกับธรรมนี้อยู่ที่หัวใจดวงเดียวกันจิเลศก็อยู่ในหัวใจธรรมก็อยู่ในหัวใจเปิดจิเลสออกแล้วธรรมก็เจ้าขึ้นมาเจ้าขึ้นมาเหมือนกับสะใหญ่ ที่เต็มไปด้วยน้ําแต่ถูกจอกแหนะคือกิเลสบกคุมมาไว้เท่านั้นเวลาเปิดจอกปวดแหนะคือเปิดกิเลสออกความชั่วช้าระบบออกจเจริญธรรมขึ้นภายในใจธรรมก็จะต้าขึ้นภายในใจความสุขความสงบเย็นใจจะปรากฏขึ้นมาแล้วจะปรากฏขึ้นในธรรมในหัวใจเต็มเม็เต็มหน่วยจงกระทั่งกิเลสขาดจะ บ, บั้นออกไปหมดคือจอกแหนะในสระนั้นออกหมดแล้วน้ําจ้าขึ้นมาเลยทีเดียวนี่ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เมือ่อกิเลสบดพ้นไปจากใจโดยสิ้นเชิ ง, แ ล, งแล้วไม่ต้องถามหาธรรมทำอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าท่ <c oughs> านเห็นทำเห็นที่ไหนเห็นที่จิตจิตับกับทำเป็นเดียวกันแล้วไม่ต้องถามพระพุทธเจ้าใครตัครูขึ้นมารู้อย่างเดียวกันหมดท่านยกให้เป็นสันติสิโกนเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันแล้วถามปัญหาอะไรเพราะทำประเภทเดียวกันนี่แหละการจะนั่งทวันนี้ก็รู้สึกวันเด็ดเหนื่อยไม่ล่าวันนี้เป็นวัน เผาศท่านจะคุณให้นํ า, านิมิต ท, ที่เป็นมงคลของพวกเราทั้งหลายไปพิิจพิจารณาวันนี้ท่านตายวันนี้เผาศพท่านวันต่อไปเวลาใดก็ได้จะต้องเผาศพเราทุกคนที่นั่งเต็มกันอยู่นี้ทุกคนแม้ที่จุดหลวงตะบัวก็ไปไม่คนถึงวันแล้วจะอาจจะได้เผาได้ฝังหรือวิธีการต่างๆ ต, ต, ตามแต่บุญแต่กรรมของแต่ละรายที่ตายจะต้องเก็บต้องเผาวิธีใดเท่านั้นเอง แตเรื่องความแน่นอนตายตายแล้วความแน่นอนของการเกิดอีกก็เป็นความแน่นอนเช่นเดียวกับการตายอีกนั่นเอ ง, เองคือตายนี้แล้วจิตมันไม่ตายตายนี้แล้วจิตออกจากร่างที่หมดสภาพแล้วไปก่อใหม่ขึ้นมาก่อใหม่ก็ต้องอาศัยวิบากกรรมใครมีบุญมีบาปก็ต้องไปเกิดตามบุญตามบาปของบาปของตนที่มีมากน้อยใครมีบาปหนักบาปหนาคนนั้นก็ประจมลงในนรกนรกมีอยู่แล้วตั้งกับตั้งกันเราทรงสัยที่ไหนไปลบล้างที่ไหน พระพุทธเจ้าตรัสรู้มากี่องค์ไม่เห็นมาลบล้างนร ก, กได้เราเป็นคนมีอำนาจบาดหลวงมาจากเหนือโลกที่ไหนจึงจะไปลบล้างนร ก, กว่าไม่ให้มีไม่ให้เผาเราทาั้งๆที่เราสร้างตำหนักหนาไม่มีใครสู้เลยแล้วแต่ลบล้างนร ก, กได้อย่างสบายไม่เคยมีในสารที่ไหนอย่ามาอุตรดิตในเมืองไทยซึ่งเป็นเมืองพุทธแล้วนาะถ้าไม่อยากดมถ้าถ้าระวังไม่ไม่อยากจมให้เชื่อธรรมพุทธเจ้า ทำพุทธเจ้าไม่เคยหลอกลวงสัตว์ผู้ใดลายใดตัวใดให้ร่วมจมนะแต่ที่เรียนนี้หลอกลวงตลอดเวลาเอาให้จมได้ไมายตรงแต่แต่สโลวไม่ไ ม, ไม่ไม่เฉดหลาบเท่านั้นเองจึงได้ยอมทนทุกข์ทรมานมาอย่างที่ว่ามานี่เองนี่เราทำพุทธเจ้าจรงิงจังนี่มีผลเสมอกันทำบาปเป็นบาปทำบุญเป็นบุญเสมอกันท่านแสดงว่าอาการนีโกอาการนี้โกแปลว่างไงสแสดงส่วนในธรรมสุนําธรรมคุณแล้วก็ส่วนไม่ใช่หรือสวกโตก็ตาธรมโหมดยกขึ้นมาอาการนีโกมเป็นยังไง เนื่ากฉันโคัตโตกุตาธโมสันทิติโกอกาลิโกสันทิติโกคือผู้ปฏิวัตินั่นแหละจะเป็นผู้เห็นเองดูเองอากาลิโกทำมีอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วอากาลิโกนั่นเลือกการเรื่องสถานดีแล้วกิเลสมันก็มีตลอดเวลาสร้างกิเลสให้เป็นกิเลสเมื่อไหร่มันก็เป็นสร้างบาปสร้างกรรมเมื่อไหร่เป็นบาปเป็นกรรมเป็นทุกข์ขึ้นมาแก่เราเหมือนนั้นเราสร้างบุญสร้างกุศลเป็นบุญกุศลแก่เราเมือนั้นจึงมีผลเสมอกัน ระหวา่างกิเลสกับธรรมไม่มีอะไรยิ่งย่อนอะไรจะว่าเรียวว่าแหลมมันเป็นเรื่องของกิเลสหลอกลวงต้นถุนคนว่าเวลานี้ศาสนาเลียวแหลมศาสนาไม่มีมากมีผลไม่มีอะไรที่กิเลสไปปิดไว้ ป, ปิดไว้มิจะสร้างตัวกิเลสขึ้นมาความโลภ ค, ความโกรธความหลงให้เป็นไฟเผาไหมหัวใจโลกมันไปยังไงมาสูญไปไหมไ อ, ไอเรื่องความความทุกร้อนของ ข, ของโลกที่กิเลสสร้างขึ้นมามันมันสูญไปไหม มันทำไมมามาสู์ตั้งแต่เรื่องทำที่จะสร้างคุณรามความดีเป็นที่ดีมงคลแก่โลกนี่ว่ามักผลที่ผ่านศูญไปแต่ทิเลสมันสร้างฟืนน้ำไฟเผาโลกมันศูนญไปไหมให้ถามมันสิไม่อย่างนั้นไม่มีทางออกนะแต่ตายจมกันอยู่นี่ตลอดเวลานะอาการนี่กลการิโกเป็นได้ทั้งทางอับทางทำทางทิเลสตั้หาให้สร้างทางหนักทางไหนก็เป็นผลเสมอกันไปเลยถ้ากรรมทางดีหนักมากก็ที่เลสก็พังก็พังถ้ากิเลสมากก็ทำก็พังจมลงนรกนะ บาปบุญนโลกสวรรค์พระพุทธเจ้าทุกงองสอนไว้แบบเดียวกันอย่าพากันอาหานทานใจอย่าพากันอวดดีกว่าพระพุทธเจ้านะและพวกที่อวดดีแบบนี้ละที่มันมาจะจมนะให้ระวังแล้วตั้งแต่บัด น, นี้ต่อไปนะวันนี้การเทศนาว่าการก็ได้พูดถึงพี่น้องทลายให้นําเรื่องของท่านเจ้าคุณเทพโมลีนี่ไปเป็นที่ระลึกเราจะตายด้วยกันทั้งนั้นแหละเนี่ยไม่มีใครเว้นไปได้แม้แต่ลายเดียวนะให้รีบสร้างคุณงามความดีใจไม่ตายนะ พอออกจากร่างนี้เราจะเกิดตามบุญตามกรรมของตนผู้มีบาปไปทางบาปตกนรกบกไมผู้มีบุญไปทางบุญจนกระทั่งถึงมรรคผลนิล่ผานมาสงสัยนี่เป็นสมบัติที่อันดีงามของใจอันชวนบาปนั้นเป็นฆ่าศึกศัตรูต่อใจให้พากันละเว้ให้ห่างไกลใจนี้ไม่เคยตายใจไม่เคยมีปา่าช้าเมื่อเวลาบริสุทธิ์เต็มที่แล้วก็เป็นธรรมธาตุอย่างพระพุทธเจ้าวนิพ้่านเที่ยงนี้ผ่านเที่ยง อะไรเที่ยงก็คือใจดวงนี้ปราศจากนิจังทุกขังรัตตาไม่มีอะไรเข้าไปรบกวนเป็นใจที่คงเส้นคงวาหนาแน่นเรียกว่าใจเที่ยงนั่นละใจของท่านผู้ทรงมัธยมูทหลุดพ้นใจผู้ทรงธรรมธาตุเป็นผู้หลุดพ้นเรียบร้อยแล้ ว, ลวนี่ใจนี้ก็ไม่ตายเป็นธรรมชาติอย่างนี้นะยังขอพี่น้องหลายๆได้จดจําเอาวันนี้การสแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรแก่ท่าแก่ขันกําลังวางชาและเวล่ำเวลา ขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเถินเหนือ่อยแล้วเตือนหน่อยแล้ว